วันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดมิถุนายนพุทธศักราชสอง2ัน้าสสองเป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ที่ดีที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือมาปฏิบัติตามคำสัง่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งมอบภารกิจหรือธุรากาิจให้แก่พุทธศาสนิกชนไว้ไป ปฏิบัติธุรกิจทางศาสนาพุทธก็มีอยู่สองธุรกิจด้วยกันคือหนึ่งขันธะธุระและวิปัสนาธุระนี่คือธุรกิจของพุทธศาสนิกชนคืองานที่พุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติ เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดจากการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนกับโรงเรียนนี้เองเป็นสถานที่ศึกษาศึกษาวิธีที่จะทำให้จิตใจ ได้เป็นอะไรต่างๆศึกษาวิธีที่จะทำให้จิตใจได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้เป็นพระอาริยบุคลคลเคยได้เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระาอารหันต์ตามลำดับ ของการศึกษาของการปฏิบัติการที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้ก็จำเป็นจะต้องทำธุระขั้นที่หนึ่งคือคันทะธุระคันทะธุระแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อได้ศึกษาได้รู้แล้วว่าวิธีที่จะทำให้จิตใจเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรเป็นเทวดาเป็นอย่างไรเป็นพรหมเป็นอย่างไรเป็นพระอริยบุคคลเป็นอย่างไรขั้นที่สองก็ต้องเอาไปปฏิบัติการปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาธุระเป็น ทุระที่ทาต่อเนื่องจากการศึกษาคือขันธะทุระถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเช่นนักศึกษาที่ไปศึกษาแพทย์หรือพยาบาลก่อนที่จะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก่อนที่จะไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ก็ต้องไปศึกษาก่อนศึกษาตามสถาบันการศึกษาพอศึกษาจบแล้วก็สามารถที่จะไปทําหน้าที่ของแพทย์ของพยาบาลได้ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วจะไปทําหน้าที่ของแพทย์หรือของพยาบาลย่อมทําไม่ได้เวลามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาหา ก็จะไม่รู้จักวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าได้ศึกษาได้รู้วิธีที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพอมีคนไข้ามาหาก็สามารถที่จะรักษาโรคภัยต่างๆให้หายหมดไปได้ฉันใดคันทัตุระ คือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆเพื่อเปลี่ยนจิตใจหรือผลิตจิตใจให้เป็นชนิดต่างๆก็ต้องรู้จักวิธีว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําให้เป็นมนุษย์จะทําอย่างไรถึงจะทําให้จิตใจเป็นเทวดาจะทําอย่างไร ถึงจะทำให้จิตใจเป็นพรหมและจะทำอย่างไรถึงจะทำให้จิตใจเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมานี่คือสิ่งที่ต้องศึกษาก่อนถ้าได้ศึกษาแล้วเข้าใจจนสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้แล้วต่อไปก็จะสามารถที่จะทำให้จิตใจเป็นมนุษย์ก็ได้ เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระาอาริยบุคคลก็ได้อันนี้คือเรื่องของทุลาของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ต่อพุทธศาสนิกชนถ้าจะถือว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องทําทุลาสังสงนี้ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าไม่ทำก็ไม่ถือว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงถือว่าเป็นพุทธบริษัทในทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านเขาก็ถามว่านับถือศาสนาอะไรเขาก็ใส่พุทธศาสนาเข้าไปแต่ไม่เคยไปโรงเรียนไม่เคยไปวัด ไม่เคยไปศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้วิธีรักษาจิตใจให้เป็นมนุษย์ว่ารักษาอย่างไรไม่รู้จักวิธีทำให้จิตใจเป็นเทวดานั้นทำอย่างไรไม่รู้จักวิธีทำให้จิตใจเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลทำอย่างไรก็ไม่ได้เป็นพุทธาศาสนิกชนที่แท้จริง เหมือนถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอผีหมอเถือนหมอเถือนก็เขียนติดป้ายไว้ว่าเป็นเป็นหมอนูน่นหมอนี่พอคนไข้มารักษาก็รักษาแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกหายบ้างตายบ้างอันนี้เพราะว่าไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษาแล้วก็ไป ประกอบอาชีพประกอบวิชาชีพแบบผิดผิดถูกถูกไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางเพราะถือว่าเป็นหมอเถื่อนนี่ดีที่ไม่มีใครมาจับพวกที่เป็นพุทธศาสนิกชนเถื่อนคือมีแต่ชื่ออยู่ในแตเบียนบ้านมีแต่เขียนว่าเป็นพุทธศาสนิกชน แต่ไม่รู้เลยว่าทุละของศ า, ศาสนิกชนนี้มีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนี่คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พวกเราผู้เป็นพุทธบริสัทธ์ผู้มีความศรัทธามีความเคารพมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะทำหน้าที่ของตนถึงแม้ว่าในบางคราวเช่นวันนี้ไม่สะดวกที่จะมาศึกษามาปฏิบัติก็ยังอุตสาห์ผลักดันให้มาศึกษามาปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ไม่ควรจะขาดถ้าจะขาดก็ควรจะเป็น เรื่องสุดวิสัยเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการเดินทางมาไม่ได้เช่นถนนขาดน้ำท่วม อ, อะไรทำนองนี้เหมือนกับที่ไปโรงเรียนรธรรมดาเวลาไปโรงเรียนเราก็ต้องพยายามไปฝนตกก็ไปนอกจากไม่สบายลุกขึ้นไม่ไหว ไปไม่ไหวก็ถึงไม่ไปเพราะการไปโรงเรียนเราก็รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรหลังจากที่เราเรียนจบเราก็จะมีวิชาชีพมีวิชาความรู้ที่จะเอาไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำให้ชีวิตของเราอยู่เย็นเป็นสุขมไม่ทุกยากลําบากเดือดร้อนอ ใดาการมาโรงเรียนพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราพยายามเรียนให้ครบไม่ให้ขาดแล้วนำมาไปปฏิบัติได้เราก็จะสามารถรักษาจิตใจของพวกเราให้อยู่ในสุขติให้อยู่ในพบที่ดีวกที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนไม่ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนโอกาสที่เราจะไปเกิดเวียนว่ายในทุกขตินี้ย่อมเป็นไปได้ง่ายและมาก mm hmm. แทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมหรือไปเป็นพระอริยบุคคล เราอาจจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือถ้าไม่ได้มีร่างกายก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์หุ้มห่ออยู่ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความหิวโหวยก็เรียกว่าเปรตถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ด้วยความหวาดกลัวก็เรียกว่าอาสุรกายถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ มีความทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านารกนี่ผลที่จะเกิดจากการที่ไม่ทำหน้าที่ของพุทธบริษัทไม่ทำธุระคือคันธะธุระและวิปั ส, สนาธุระนั่นเองอ่างนั้นวันนี้เราจะมาทำหน้าที่ทำคันธะธุระและวิปั ส, สนาธุระไป พร้อมๆกันเลยเพราะงาที่ทั้งสองอย่างนี้สามารถทำไปได้ควบคู่กันไม่ได้แยกออกจากกันไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนอย่างเดียวก่อนแล้วเรียนให้จบพระคำภีก่อนจบพระตจปิดกก่อนอถึงจะไปปฏิบัติ น, นี้เรียนไปปฏิบัติไปควบคู่กันได้ การศึกษาการปฏิบัติของศาสนาพุทธนี้ต้องไปควบคู่กันเพราะถ้าเรียนอย่างเดียวแล้วยังไม่ปฏิบัติถ้าเรียนแล้วเรียนจบแล้วก็จะลืมบางส่วนที่เรียนไปแล้วก็จะไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เลยต้องเรียนควบคู่กับการปฏิบัติเรียนขั้นที่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติขั้นที่หนึ่ง เว้นขั้นที่สองแล้วก็ปฏิบัติขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปตามลำดับการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งการศึกษาขั้นที่หนึ่งของพุทธศาของพุทธศาสนาก็คือการไม่กระทำบาปทั้งปวงออนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งให้ละเว้นการกระทำบาปทั้งปวง เราก็ต้องมาศึกษาว่าบาปคืออะไรบ้างเพราะมีคนชอบถามเรืวยว่าทำแทงบาปไหมทำหมันบาปไหมแสดงว่าไม่ได้ศึกษาไม่รู้คำว่าบาปนี้คืออะไรคำว่าบาปนี้ก็คือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำแทงบาปไหมฆ่าหรือเปล่าฆ่าเด็กทารกในท้องบาป ทำมบาปไหมไม่บาปเพราะไม่ได้ฆ่าเพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งคันขึ้นมาไม่ได้มีการตั้งคันเลยไม่ได้บาปถ้าได้เป็นได้ทำหน้าที่ศึกษาข้อง่ายๆคร น, นี้ไม่น่าจะต้องมาถามกันแสดงว่าไม่ได้เรียนกันเลยไม่รู้ว่าบาปคืออะไระบาปก็คือ เนี่ย้าสี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตน้อยชีวิตใหญ่เช่นมดมแมลงหรือชีวิตใหญ่เช่นช้างหรือมนุษย์อะไรถือว่าเป็นชีวิตเหมือนกันเป็นสิ่งที่เจ้าของของชีวิตนั้นรักและหวงเหมือนกันช้างก็หวงชีวิตของเขามดมาแมลงเขาก็หวงชีวิตของเขา ฆ่าเขาแล้วก็ทําให้เขาทุกข์ชีวิตของเราเราก็รักเราก็ห่วงใครฆ่าชีวิตเราเราก็ทุกข์ดังนั้นการทําบาปก็คือการไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นนั่นเองดังั้นให้เข้าใจคําว่าบาปคืออะไรคือการไปทําให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์มากที่สุดก็คือการฆ่าชีวิต การฆ่าทำลายชีวิตของผู้อื่นเอพราะชีวิตนี้เป็นของที่มีค่าที่สุดของทุกๆคนรองลงมาก็คือการลักทรัพย์นการไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองชนิดไหนก็เรียกว่าทรัพย์บุอโต๊ะเก้าอีก้กระเป๋ารองเท้าอะไรก็ตามของที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่าไปเอามา ถ้าไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของก่อนถ้าไม่รู้ใครเป็นเจ้าของก็ต้องถามดูก่อนถามหาดูก่อนถ้าหาเจ้าของไม่ได้ก็อย่าไปเอาดีกว่านี่คือข้อที่สอของคือบาปข้อที่สองก็คือการลักทรัพย์ ข้อที่สามก็คือการประพฤติผิดประเวณีไปเอาลูกไปเอาสามีภรรยาของผู้อื่นมาเป็นของตนต้องไปขออนุญาตก่อนขออนุญาตจากบิดามารดามีการสู่ขอกันมีการทำประกาศเป็นทางการว่าบุคคลทั้งสองคนนี้เป็นของกันและกัน ผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องห้ามไม่ให้เขามายุ่งเกี่ยวด้วยนี่คือเรื่องประเพณีการประพฤติถูกประเพณีการประพฤติผิดประเพณีประเพณีก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้คนที่เขาเป็นของกันและกันถ้าเกิดถูกคนอื่นมาล่วงเกินมาแย่งเอาไปก็จะทำให้ต้องเกิดความทุกข์ใจนั่นเอง ภรรยาต้องเสียสามีให้คนอื่นไปหรือสามีต้องเสียภรรยาให้คนอื่นไปก็ต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ควรที่จะไปทำให้สามีภรรยาของผู้อื่นเขาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือในกรณีของผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานก็อย่าไปทำให้พ่อแม่เขาต้องเสีย อ, อกเสียใจ ไปสู่ขอขออนุญาตจากบิดามารดาของของบุคคลที่เราต้องการที่จะเอามาเป็นคู่ครองก่อนเนเรียกว่าเป็นการประพฤตถูกประเพณีทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขเมเวลาจัดงานแต่งงานกันทุกคนดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าถ้้ได้ข่าวว่าคนนั้นหนีไปอยู่กับคนนู้น พอได้ยินข่าวแล้วก็ไม่สบายใจพ่อแม่ก็ทุกข์ใจที่ลูกไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามประเพณีของสังคมอันนี้ก็คือข้อที่สามของการทำบาปไม่ประพฤติผิดประเวณีประเวณีก็คือประเพณีนี่เองข้อที่สี่ก็คือการไม่พูดปลดต้องพูดความจริง ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดไม่มีใครมาบังคับให้เราพูดได้ถ้าเราไม่พูดถ้าเราปิดปากไว้เฉยๆใครจะถามอะไรถ้ารู้ว่าพูดไปแล้วไม่เป็นความจริงก็อย่าพูดเพราะพูดไม่เป็นความจริงก็ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายได้เช่นไ ป, ไปกล่าวร้ายคนที่เขาไม่ได้ทำผิดนี้ แล้วคนทาคนที่ถูกกล่าวร้ายก็ต้องไปรับเคราะห์รับกรรมจากการพูดของเราการพูดไม่จริงของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเขาทุกข์เดือดร้อนอันนี้คือบาปมีอยู่สี่ข้อไม่กวนละการกระทำบาป ทั้งปวงคำว่าทั้งปวงก็มีสมุนของบาปด้วยนอกจากบาปแล้วยังมีผู้สนับสนุนในการกระทําบาปก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนของการทําบาปผู้สนับสนุนนี้เรียกว่าอบายามุกเนี่ยอบายามุกอบายแปลว่าทุกคติที่ไปของผู้ที่ทําบาปเช่นไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรต ไปเป็นอนุสรกายไปนรกนี่คืออบายสีผู้ที่จะไปอบายสีมักจะต้องไปยืนที่ประตูของอบายก่อนก่อนจะไปอบายต้องเข้าประตูไปก่อนใครไปยืนอยู่ที่หน้าประตูอบายก็มักจะเข้าไปง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่หน้าประตูอบายยมุกก็แปลว่าประตูของอบาย มุกแปลว่าทวานทางเข้าออกอบายามุกก็คือทางเข้าออกของอบายใครไปอยู่ที่หน้าประตูเดี๋ยวก็เข้าไปได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ประตูใครไปเสพอบายามุกก็จะไปทำบาปพอทำบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เสพอบายามุกพอทำบาปแล้วก็จะ มีผลคือจิตใจก็จะกลายไปเป็นอบายทันทีเป็นทีละเล็กทีละน้อยตามปริมาณของการกระทำบาปไปนีอบายามุขมีอยู่ห้าอันด้วยกันที่ไม่ควรที่จะไปะกระทำกันคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพนัน 3. การเที่ยวเตยไม่ว่าจะเที่ยวกลางวันหรือเที่ยวกลางคืน 4. ความเกลียดคร้านหการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรนี่คืออบายที่ไม่ควรกระทำเพราะถ้ากระทำแล้วจะทําให้ไปทำบาปได้ง่ายหรืออาจจะถูกบังคับให้ไปทาบาป พออบายมุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายดื่มโซดาก็ไม่มีรายได้เล่นการพนันถึงแม้จะได้ก็ได้ในระยะสั้นพอได้ก็อยากจะได้มากขึ้นก็เล่นต่อพอเล่นต่อเดี๋ยวก็ต้องเสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออีกเดี๋ยวทําไปทํามาก็มีแต่เสีย พอเงินทองไม่มีก็ต้องไปขายทรพัพย์สมบัติข้าวของเพื่อที่จะมาเล่นต่อเพื่อที่จะเอาคืนอบายามุเขเพราะว่าการพนันนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าขโมยขึ้นบ้านโหดร้ายยิ่งกว่าไฟไม่บ้านเพราะว่าขโมยขึ้นบ้านก็เอาไปได้แต่ข้าวของที่มีอยู่ในบ้านยังเอาบ้านไปไม่ได้เอาที่ดินไปไม่ได้ ไฟไหม้บ้านนี้ก็ยังเอาแต่ไม่แต่บ้านกับไม่แต่ข้าวของแต่ยังมีเหลือที่ดินไว้อยู่ไว้ปลูกบ้านใหม่ได้แต่ถ้าเล่นการพ น, น, นันนี่มันเอาไปหมดเลยเออพอเงินหมดก็ต้องขายของขายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองในบ้านขายหมดก็พอสมบัติหมดก็ขายบ้านต่อขายบ้านขายทั้งที่ดิน ลจะไม่มีที่อยู่อาศัย น, นี่คือโทษของวาบยมุกอันที่สามการเที่ยวก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเที่ยวทุกครั้งออกไปเที่ยวดองดูซิว่าต้องเสียเงินครั้งละกี่กี่บาทถ้าห้ามใจได้อยู่ในบ้านนี้ก็ประหยัดทราบไปได้เยอะ ทุกบาทที่เราประหยัดก็เป็นเหมือนรายได้ที่เราได้มาอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องทำอะไรถ้าเราห้ามจิตห้ามใจไม่ให้ไปเที่ยวได้เราก็ไม่สูญเสียเงินทองก็เหมือนกับเรามีรายได้โดยที่ไม่ต้องไปหามาเพียงแต่รักษาทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้อยู่กับเราได้ ก, ก็ถือว่าเรามีรายได้แล้วถ้าไปเที่ยวมันจะติดด้วย เียวครั้งเดียวไม่พอเดียวแล้วก็อยากจะเที่ยววันไหนไม่ได้เที่ยวก็จะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเหงาว่าเวพอไปเที่ยวแล้วก็ดีอกดีใจโบราณท่านบอกว่าเวลาไปเหมือนไก่บินเวลากลับมาเหมือนหากินเวลาไปดีอกดีใจเวลากลับบ้านนี่คอพับกลับบ้าน นี่คืออบายามุขข้อที่สี่ก็คือความเกียดค้านความเกียรติค้านก็ไม่มีการผลิตเงินทองไม่มีรายได้จากความเกียดค้านชีวิตก็ต้องมีรายจ่จายจะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ต้องกินต้องอะไรก็มีจะทำให้ไม่มีมีแต่เสียเสียรายเสียเงินทองที่มีอยู่ถ้าเป็นคนเกียรติค้านไม่ทามาหากิน เมื่อไม่มีรายได้ก็จะต้องไปทําบาปด้วยเพื่อที่จะได้มามีรายได้เข้อที่ห้าก็คือไม่คบกับคนที่ชอบอบายามุขถ้ามีมิตรเป็นเป็นคนที่ชอบอบายามุขเขาก็ต้องชวนเราไปเสพอบายามุขถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพานันเขาก็จะชวนไปเล่นการพานัน ชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านชวนให้เราอย่าไปทํางานให้ไปเล่นไปทําอะไรกันดีกว่าอนี่คืออบายซึ่งเป็นสมุนหรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทําบาปเพราะว่าเมื่อทําบาปแล้วเมื่อใส่ บ, บาบายมุกแล้วเงินทองก็จะไม่พอใช้ แล้วก็จะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีกระทำบาปคือตอนต้นก็อาจจะไปโกหกหลอกลวงคนนนคนนี้ขอยืมเงินเข้ามาทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าไม่มีปัญญาที่จะไปหาเงินไปใช้ใช้เขาได้พอยืมพอยืมพอยืมแล้วต่อไปยืมไม่ได้พอยืมแล้วไม่คืนเขาครั้งต่อไปจะไปยืมเขาก็ไม่ให้ยืม ก็เงินเก่ายังไม่คืนนั่นจะมายืมเงินใหม่ได้ยังไงพอยืมไม่ยืมเงินไม่ได้ขั้นต่อไปก็ต้องไปขโมยไปลักทรัพย์ไปลักทรัพย์อาจจะรู้สึกมันได้น้อยก็อาจจะไปคิดป้นไปจี้ตามร้านทองร้านขายของก็ต้องหาอาวุธหาปืนอะไรมา แล้วนะถ้ามีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันต่อไปนะนี่คืออบายามุกใครไปเสพอบายามุกแล้วนะมันจะติดตอนต้นก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆอยเดิมแค่ถ้วยเดียวเดิมแค่ขวดเดียวเบียร์วขวดเดียวมันจะเป็นอะไรไปแต่มันจะไม่ขวดเดียวเนี่ยมันจะต่อไป เดี๋ยวเป็นสองเป็นสามเดี๋ยวบิดเดิมทุกวันอ ม, นมันทุกอย่างมันจะเริ่มจากนิดหน่อยเหมือนไฟป่าเนี่ยบางทีมันเริ่มจากบุหรี่บวนเดียวเท่านั้นเองอโยนโยนโยนเศษบุหรี่ทิ้งไปในป่าเดี๋ยวมันไหม้ใบไ ม, ไม้เดี๋ยวมันก็เริ่มลามไปได้กลายเป็นไฟป่าลุกขึ้นมาได้ เราอยู่ในป่าไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามีไฟเกิดขึ้นมามันก็จะลามปา่ากลายเป็นไฟปา่าไม้ป่าใหญ่ได้อย่ใดอบายามุกก็เช่นเดียวกันอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเอ้ทำครั้งเดียวไม่เป็นไรมันไม่เป็นครั้งเดียวสิเพอมันได้ครั้งหนึ่งแล้วมันจะติดใจมันจะได้ใจเดี๋ยวครั้งต่อไปก็เอา อ, อีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไร เดี๋ยวก็เพิ่มไปเรื่อยๆอนี่คืออย่าไปกระทำอย่าไปเสพอบา ย, ยมุกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปถูกกดดันให้ไปทาบาปเมื่อไม่ทําบาปผลของการทําบาปก็จะไม่เกิดขึ้นคือจะไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสลรกายไม่ต้องไปนรก ก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้มนุษย์เหล่านี้ถ้ารักษาศีหน้าได้ไม่เสพอบายามุกได้เวลาตายไปนี้ไม่ต้องไปอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเพราะไม่มีไม่มีบาปดึงให้ไปอบายแต่ก็ไม่มีบุญดึงให้ไปสวรรค์ให้ไปเป็นเทวดาถ้าเพียงแต่รักษาศีหน้าละเว้นอบายามุก ผลก็คือจะรักษาความเป็นมนุษย์ไปได้ทุกภพทุกชาติตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อทันทีแต่ถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวไปหาความสุขที่สูงกว่าความเป็นมนุษย์ที่ได้จากการเป็นมนุษย์ก็จะต้องทําบุญต่างๆให้ถึงพร้อมทําบุญชนิดต่างๆบุญก็คืออะไร บุญก็คือตรงการข้ามกับบาปนี่เองบาปทำให้คนอื่นเขาทุกข์เดือดร้อนบุญนี่ทำให้คนอื่นสุขสบายได้ประโยชน์จากการกระทาของเราทำแล้วคนอื่นเขามีความสุขเขาได้ประโยชน์จากการกระทาของเราก็เรียกว่าบุญบุญก็มีหลายชนิดเช่นการทำทานเนี่ยทำเรามีอะไรคำว่าทานก็แบ่งปัน ถ้าภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าแชร์มีอะไรก็เอาอไปแชร์กันสมัยนี้ชอบแชร์ทางเฟ e b o o กกันเห็นอะไรถูกใจชอบใจเห็นแล้วมีความสุขก็แชร์ให้คนอื่นเขาพอคนอื่นเขาได้เห็นสิ่งที่เราเห็นแล้วมีความสุขเขาก็มีความสุขตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทาบุญแบบหนึ่งทาบุญสมัยใหม่ทาบุญพัน การแชร์ภาพและรูปเสียงต่างๆที่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วมีความสุขเราก็แบ่งความสุขนี้ให้กับผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็นการแชร์แบบสมัยใหม่แบบสมัยเก่าก็แชร์ด้วยข้าวของเฉพาะโดยเฉพาะปัจจัยสี่ใครเขาตกทุกข์ยากเดือดร้อนไม่มีข้าวกินก็ให้ข้าวเขา เช่นพระนี่รู้ว่าพระไม่มีข้าวพระไม่หุงข้าวเองพระไม่ทํากับข้าวพระขอข้าวกินพอเห็นพระก็เอาใส่บาตรเอาหาข้าวข้าวสุกอะไรใส่บาตรไปอันนี้ก็แชร์เหมือนกันแบ่งปันความสุขด้วยอาหารด้วยปัจจัยสี่จีวรอาหารบบญทบาอยารักษาโรค กุติที่อยู่อาศัยช่วยกันบริจาค ส, สร้างกุติสร้างโบสถ์สร้างวัดกันออันนี้ก็เรียกว่าทานเป็นการทําบุญทําบุญทําทานทําบุญให้กับมนุษย์แล้วยังสามารถแบ่งเอาบุญที่ได้จากการทําบุญนี้แบ่งให้กับพวกที่เป็นดวงวิญญาณได้พวกที่ตายไปแล้ว เช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายที่ถึงแก่กรรมไปตายไปเขาอาจจะไม่มีบุญติดตัวไปเราก็สามารถแบ่งบุญที่เราทำนี้ให้กับเขาได้โดยการนำลึกภายในใจหลังจากที่เราได้ทำบุญแล้วเช่นพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็สามารถที่จะ ลำลึกภายในใจไม่ต้องให้พระมาสวดญาตาสัพเไม่ต้องมีน้ำมาเทเนะบุญไม่ใช่น้ำน้ำไม่ใช่บุญที่ใช้น้ำเป็นการแสดงตัวอย่างของบุญว่าเป็นเหมือนน้ำน้ำจากภาชนะหนึ่งเทเข้าอีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนบุญจากใจดวงหนึ่งไปสู่ใจอีกดวงหนึ่งใจของผู้ให้ ไปสู่ใจของผู้รับใจของผู้รับก็คือดวงวิญญาณที่ยังไม่มีร่างกายยังไม่สามารถหาอาหารหาสิ่งที่ทำให้ใจอิ่มได้ก็เลยต้องอาศัยผู้ที่มีบุญนี้แบ่งบุญไป พอทำบุญเสร็จป้าบใสบาทเสร็จป้าบก็สามารถอุทิศบุญได้เลยไม่จำเป็นจะต้องมีพระมาสวดยะถาสัพพีแต่อย่างใดที่ทำกันนี้ไม่ได้เป็นการอุทิศเป็นการสั่งสอนของพระเวลาที่พระสวดยะถาสัพพีนี้มีมีความหมายอยู่สองสองนัยยะด้วยกัน เวลาที่พระกล่าวญถานี้ท่านกําลังพูดถึงอนิสงค์ของบุญที่เราทําว่าเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้เรียกว่าญาาให้ผีสัพผีให้คนแล้วพอเสร็จญถ า, าพระรูปอื่นกระจะช่วยกันสวดสับผีตอนที่สวดสัพผีนี้แสดงถึงประโยชน์ ของบุญของการทาบุญว่าจะทำให้ผู้ที่ทำบุญนี้มีความจเจริญด้วยอายุวัตสุขภะละอันนี้เป็นการแสดงธรรมเป็นการบอกอนิสงส์ของการทาบุญไม่ได้เป็นการให้พรพระไม่มีพรจะให้พรนี้ต้องทำเองพรให้กันไม่ได้พรนี้ของใครของมัน การให้พรเป็นอวยพรเป็นการแสดงความปรารถนาดีเท่านั้นเองเช่นขอให้คุณมีความสุขมากๆไม่ใช่ว่าพอบอกให้ก็มีความสุขมากๆแล้วก็จะมีความสุขลองไปบอกคนที่ติดคุกดิ้นเลยขอให้คุณมีความสุขมากๆบอกยังไงมันก็ไม่สุขหรอกถ้าเขาอยากจะมีความสุขเขาต้องออกจากคุกพอเขาออกจากคุกแล้วเขาก็จะมีความสุขเห็น ดังนั้นเรื่องการสวดของพระให้พรนี้ไม่ได้ความจริงไม่ได้เป็นการให้พรไม่ได้เป็นการอุทิศบุญให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วเป็นเพียงแต่แสดงธรรมเป็นการสั่งสอนเพียงแต่ว่าท่านไปสอนภาษาแขกคนไทยเลยฟังไม่รู้เรื่องภาษาแขกภาษาบาลีนี่ก็คือภาษาแขกภาษาที่ใช้ในประเทศอินเดียสมัยพระพุทธเจ้า ที้เราต้องการอนุรักษ์คําสอนของพระพุทธเจ้ากลัวมันจะเพี้ยนก็เลยไม่ใช้คําแปล ก, กันดสนสวดภาษาเดิมเพื่อรักษารักษาของของแท้ของจริงไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงที่ม า, าพอมาสวดภาษาบาลีญาติโยมก็เลยไม่รู้ว่าสวดอะไรก็เลยเหมาว่ากําลังสวดคาถาให้พรกันะ ไม่ใช่ให้พรพรนี้ให้ไม่ได้คาถาต่างๆนี้ไม่ได้เป็นคาถาให้พรเป็นคาถาให้ความรู้ที่ความรู้ก็ต้องเข้าใจความหมายถึงจะได้ความรู้ถ้าลองไปดูคำแปลของญาถาสัพพีดูก็จะเข้าใจว่าท่านกำลังสอนว่าอย่างไรญาถาท่านก็บอกว่าเนี่ยบุญที่ทำนี้เปรียบเหมือนกับ น้ําหรือเปรียบเหมือนกับแสงพระจันทร์อะไรเนี่ยจำเราก็จําไม่ได้ความหมายลองไปอ่านดูลองไปค้นหาดูคําแปลจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วส่วนผู้ที่มีชีวิตอยู่ผู้ที่ให้ทําบุญก็ได้รับประโยชน์จะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งโร่งด้วยอายุอายุจะยืนยาวนานวันณนะผิวพรรณผ่องใส มีความสุขมีพลังมีกำลังใจมีความสุขใจนี่คือเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ที่วงลับไปแล้วการทำบุญมีหลายชนิดด้วยกันไม่มีเงินทองก็สามารถไม่มีเข้าของเงินทองก็สามารถทำบุญได้ด้วยการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยช่วยด้วยแรงกายของเราที่ไหนมีงานามีก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นองค์กรสาธารณกุศลต่างๆพอแตกตึงร่วมกันอยูอ่ก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยกันไปเวลามีภัยไปช่วยกันไปกู้ภัย เ, เวลามีศพก็ช่วยกันไปเก็บศพอะไรทำนองนีอ้อันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกัน การทำบุญยึงมีหลากหลายชนิดด้วยกันบุญมีในศาสนาพุทธนี้ท่านสอนมีอยู่สิบชนิดด้วยกันแต่เราเอาชนิดที่ที่เราทาได้บุญเอาบุญที่ทำให้เราไปเป็นเทวดากันบุญในศาสนาพุทธนอกจากให้ไปเป็นเทวดาแล้วยังให้เราไปเป็นพรหมให้เราไปเป็นพระอริยบุคคลด้วย อันนี้คือบนที่จะทำให้เราเป็นเทวดาคือทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนมีความสุขด้วยการให้ด้วยการแบ่งปันถ้าเขาไม่มีอาหารก็ให้อาหารเขาไปไม่มีที่อยู่อาศัยก็ช่วยกันหาที่อยู่อาศัยให้ไม่สบายไม่มียาไม่มียารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็หายาหาหมอให้ ใ น, นเรียกเรียกว่าเป็นการทําบุญทําบุญแล้วจะทําให้จิตใจมีความสุขตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาสวรรค์มันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาพของจิตใจของแต่ละคนจิตใจที่มีความสุขก็จะเรียกว่าสวรรค์เรียกว่าเป็นเทวดาสวรรค์นี้ก็มี หลายระดับหลายชั้นก็เพราะว่าความสุขของแต่ละดวงวิญญาณมีไม่เท่ากันทำน้อยก็ได้ความสุขน้อยทามากก็ได้ความสุขมากคำ ว, ว่าทำมากก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำด้วยเงินอย่างเดียวทำด้วยอย่างอื่นก็ได้เช่นเสียสละแบ่งปันทำงานทำอะไรประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ได้บุญเหมือนกัน แต่ถ้ามีเงินก็ก็ได้ทำได้ยันคนที่ไม่มีเงินอย่าไปคิดว่าตนเองทำบุญไม่ได้ก็ไปทำงานที่เสียสละให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้อื่นก็เป็นการทำบุญเหมือนกันทำมากก็จะได้บุญมากก็จะได้สวรรค์จิตก็จะเป็นเป็นสวรรค์ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทำบุญนี่รู้สึกจะมีแบ่งเป็นสวรรค์อยู่หกชั้นด้วยกันมีชื่อต่างๆมีดุสิตมีนิมานมีดาวดึงมีชื่อต่างๆผลก็คือเวลาคนอยู่มีชีวิตอยู่ทำบุญไม่เท่ากันนั่นเองคนทำมากย่อมได้บุญมากอันนี้เหมือนกับกินข้าวมากย่อมอิ่มมากทำบุญมากก็มีความสุขมาก ทำบุญน้อยก็มีความสุขน้อยสุขน้อยก็เป็นเทวดาชั้นชั้นต่ำสุขมากก็เป็นเทวดาชั้นสูงอันี้คือวิธีที่จะทำให้จิตใจเป็นเทวดาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็คือหนึ่งต้องรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ก่อนคือต้องไม่ทาบาปก่อน ถ้าไปทำบุญแล้วยังไปทำบาปอยู่นี่ถ้าบุญมีกําลังน้อยกว่าบาปบาปยังดึงจิตใจให้ไปเกิดในอบายได้ <c oughs> เวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจจะมีบุญและบาปมาเป็นผู้ดึงมาแย่งกันเหมือนกับชักกรเยอะกันฝ่ <c oughs> ายไหนมีกําลังมากกว่าก็จะก็จะชนะก็จะดึง หึงอีกฝ่ายหนึ่งไปถ้าฝ่ายบุญมีกำลังน้อยกว่าฝ่ายบาปฝ่ายบาปก็จะดึงจิตใจนี้ไปพร้อมทางบุญที่อยู่ในจิตใจก็ไปด้วยกันแต่บุญยังไม่สามารถส่งผลได้ตอนที่บาปมีกำลังมากกว่าในทางตงกเงินข้ามถ้าบาปมีถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนบาปก็ยังไม่สามารถ มีกำลังที่จะดึงไปได้แล้วพอบุญหรือบาปลดลงมาเหลือปริมาณเท่ากันบาปบาปก็มีเท่ากับบุญบาปก็ดึงไปอบายไม่ได้บุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้ก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เาฉะนั้นไม่ช้าก็เร็วทุกคนไม่ว่าจะไปสวรรค์หรือไปอบายหลังจากที่ไปใช้บุญใช้บาปแล้ว เดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่างเพียงแต่ว่าถ้าไม่ทำบาปเลยไม่ทำบุญเลยก็ไม่ต้องไปรับผลบุญไม่ต้องไปรับผลบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วนะไม่ต้องไปใช้บาปในอบายไม่ต้องไปรับผลบุญในสวรรค์พอตายไปก็อาจจะกลับมาเกิดได้ไม่กี่ปีก็ได้ เช่นเด็กบางคนเห็นไหมเขารำลึกชาติได้เขาจําได้ว่าเขาเคยอยู่ที่นั่นที่นี่ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ไปรับผลบุญรับผลบาปพอตายไปเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลยอาจจะมีจํานวนน้อยเพราะคนเราส่วนใหญ่มกักจะต้องทําบาปกันไม่มากก็น้อยแล้วอย่างน้อยก็ต้องโกหกกันมีใครบ้างที่ไม่โกหกยกมือขึ้นเออ ใช่ไหมอาจจะต้องขโมยบ้างไม่มากก็น้อยแล้วทําบุญก็มีบ้างทํามากทําน้อยก็แล้วแต่โอกาสบางทีก็ต้องรอให้วันเกิดถึงจะได้ทําบุญหรือวันครบรอบหรือวันสําคัญวันปีใหม่แต่บางคนอาจจะได้ทําบุญมากเพราะว่าถูกสั่งถูกสอนว่าตั้งแต่เป็นเด็กพ่อแม่ชักพาให้ทําบุญใส่บาตรทุกทุกวันพระ แล้ทุกเช้าก่อนจะไปโรงเรียนบางบ้านก็ให้ลูกหลานใส่บาตรก่อนไปโรงเรียนเพราอมีพระ ม, มาบิณฑบาต ท, ที่บ้านเนีก็จะเป็นพวกโชคดีได้ทําบุญได้ทําบุญอยู่เรื่อยๆพอโตขึ้นก็ติดนิสัยชอบทําบุญคอยทาบุญทุกวันก่อนไปโรงเรียนพอไปทํางานก็จะทําบุญก่อนไปทํางานก็จะทำเป็นติดเป็นนิสัยไปได้ นี่คือทำไมบุญของแต่ละคนจึงมีมากมีน้อยต่างกันก็เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ทำมากทำน้อยต่างกันนั่นเอง น, นี่คือวิธีที่จะทำให้จิตใจไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้าอยากจะทำให้จิตใจขึ้นสูงกว่าการเป็นเทวดาคือมีความสุขมากกว่าเทวดาก็ต้องขึ้นไปเป็นพรหม วิธีขึ้นไปเป็นพรหมนี้ก็ต้องชำระจิตใจให้สะอาดให้ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงวิธีที่จะทำให้จิตใจะระงับความโลภความโกรธความหลงก็คือการฝึกสมาธินี่เองการนั่งสมาธิเป็นวิธีชำระจิตใจแต่ยังเป็นชำระแบบชั่วคราวอยู่คือทำให้จิตใจสะอาดเป็นพั ก, พก เวราจิตใจสงบสิ่งที่ที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้จิตใจไม่สะอาดนี้ก็จะสงบตัวลงไปถ้าเป็นตะกอนก็เหมือนจะตกตะกอนน้ำสมัยก่อนนี้ไม่มีน้ำประปาต้องไปตักน้ำจากลาแม่น้ำแม่น้าก็จะมีมีตะกอนติดอยู่กับน้ำพอเอาสารส้มไปแกง มันก็จะตกตะกอนลงไปตะกอนก็จะตกแยกออกจากน้ําอันนี้ก็เหมือนกันเวลาไปฝึกสมาธิทําจิตใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆพอเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้จิตก็จะมีความสงบปรากฏขึ้นมาแล้วเกิดความสุขที่ได้จากการเข้าไปในฌานขั้นต่างๆถ้าได้ฌานขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าได้เข้าสู่พรุทโลกขั้นที่หนึ่ง ผมมโลกนี้ก็มีอยู่8ขั้นด้วยครับแบ่งเป็น2ระดับระดับรูปประพรมและระดับอรูปประพรมระดับรูปประพรมก็คือผู้ที่ได้รูปประชานขั้นที่1่ที่2ที่3ที่4ก็จะได้เข้าสู่รูปร ป, ประพรมขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4คือความสุขของแต่ละขั้นนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับ ความสุขขั้นที่หนึ่งก็จะน้อยกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองก็จะน้อยกว่าขั้นที่สามขั้นที่สามก็น้อยกว่าขั้นที่สี่เพราะว่าความสงบมีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองแล้วพอผ่านขั้นที่สี่ก็จะขึ้นไปสู่เอกระดษบหนึ่งเรียกว่า ข, ขั้นอรูปปภมเป็นความสงบที่ยิ่งยิ่งสงบยิ่งกว่า ข, ขั้นของรูปปภมมีความสุขมากกว่า ความสุขของรูปประพมะก็จะมีอีกสี่ขั้นด้วยกันนี่ก็จะสามารถที่จะใช้การฝึกสมาธินั่งสมาธิสร้างฌานขั้นต่างๆได้พอวเวลาร่างกายตายไปจิตก็จะไปสู่ฌานที่ตนเองได้เข้าไปถึงเคยเข้าถึงฌานขั้นไหนจิตก็จะเข้าไปสู่ในฌานขั้นนั้น แล้วก็จะอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจนกว่ากําลังของสมาธิอ่อนลงพออ่อนลงดวงวิญญาณที่เป็นพรหมก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพต่อไปแล้วพอบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทพอ่อนลงก็จะเลื่อนลงมาเป็นมนุษย์ต่อไปก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดในสุขติน อย่างที่เรามักจะอวยพรคนตายว่าขอให้ไปสู่สุคติไปสู่ที่ชอบที่ชอบคือสุคติก็มีอยู่เนี่ยมีเทวดาชั้นต่างๆมีพรมชั้นต่างๆแต่ไปแล้วก็ยังต้องกลับมาเพราะบุญที่ส่งไปหรือสมาธิที่ส่งไปนี่มันไม่เที่ยงมันหมดได้เหมือนน้ำมันรถยนต์ เติมน้ำมันเนาะขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องกลับมาจอดเติมน้ำมันที่ปั๊มใหม่การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเหมือนกลับกลับมาเติมน้ำมันใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาละการกระทำบาปใหม่ทำบุญใหม่ฝึกสมาธิใหม่ตายไปก็จะกลับขึ้นไปใหม่เพราะถ้าเคยทำอะไรแล้วมักจะกลับมาทำเหมือนเดิมมันจะติดเป็นนิสัย คนที่ไม่ทำบาปเวลามาเกิดก็มักจะไม่ทำบาปคนที่ทำบุญก็มักจะกลับมาทำบุญต่อคนที่นั่งสมาธิก็จะกลับมานั่งสมาธิต่อคนเราจึงมีความสามารถแตกต่างกันบางคนี่รักษาศีลได้ง่ายบางคนทำบุญได้ง่ายบางคนนั่งสมาธิได้ง่ายก็เพราะว่าเขาเคยทำมาก่อ น, ม, นมันเหมือนเราบางคนใช้มือขวาบางคนใช้มือซ้าย เพราะอะไรก็เพราะเขาเคยใช้มือขวามาก่อนพอเขากลับมาเกิดเขาก็มาใช้มือขวาต่อคนที่เคยใช้มือซ้ายก็กลับมาใช้มือซ้ายต่อของพวกนี้มันติดไปกับจิตมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่กับจิตจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายของที่ติดอยู่ในจิตก็ไม่หายไปกับร่างกายใครชอบสีฟ้าก็จะกลับมาชอบสีฟ้า เคยไม่ชอบสีเขียวก็จะไม่ก็กลับมาไม่ชอบสีเขียวเคยไม่ชอบรถแบบนี้ก็จะไม่ชอบเคยชอบรถแบบนั้นก็จะไปชอบเนี่ยมันจะจําได้พอมันไปสัมผัสกับรถรูปเสียงเกิดรถชนิดต่างๆมันจะมีความชอบไม่ชอบปรากฏขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าให้ชอบหรือไม่ให้ชอบนนี่คือสิ่งต่างๆที่ฝังอยู่ในจิตคือการกระทําต่างๆของเรา ทำด้วยความชอบไม่ชอบมันก็จะติดเป็นนิสัยไปมันจะฝังอยู่ในใจชั้นใดเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงมาทำอะไรต่างๆกันแต่เราก็จะทำกันอยู่ในในใ น, ใ น, ใ, นในสิ่งเหล่านี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่มีใครรู้จักทำกันคือวิธีทำให้จิตใจเราเป็นพระ อ, อริยบุคคลคือทำให้จิตใจเราเป็นพระ โ, โสดาบัน เป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีเป็นพระอรหันนี้ทำอย่างไรไม่มีใครรู้เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้ยากนานๆจะมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธีที่จะทำให้จิตนี้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันได้พระพุทธเจ้านี้สงรู้ว่าวิธีที่จะทำให้พระ จิตใจเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารนี้ต้องทําอย่างไรก็คือต้องฝึกจิตให้ขึ้นไปอยู่ในระดับชั้นพรมก่อนคือก็ต้องขั้นต้นก็ต้องไต่เต้าจากการไม่ทําบาปให้ถือศีลแล้วก็ทําบุญตามฐานะมีข้าวฟองเงินทองที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็เอาไปทําบุญ แล้วจะได้ต่อไปจะได้มีเวลาไปหัดทำสมาธิไปบวชได้ไปเป็นนักบวชเนไปอยู่แบบนักบวชจะได้ฝึกทาสมาธิพอทาสมาธิได้แล้วจึงจะมีกำลังที่จะไปทำจิตจากการเป็นพรหมให้ไปเป็นพระอริยบุคคลต่อไปได้การจะทำให้เป็นพระอริยบุคคลก็ต้องตัดสังโยชน์สังโยชน์มีอยู่สิบอันสังโยชน์ก็คือ สิ่งที่รัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองสิ่งที่ดึงจิตให้ใจให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าสังโยชน์ดึงจิตให้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเรียกว่าสังโยชน์ต้องตัดสังโยชน์ทั้งสิบอันนี้ให้ออกจากใจไปให้ได้สังโยชน์สามข้อแรกก็คือท้า ถ้าอยากจะเป็นพระโสดาบันก็ต้องตัดสังโยชน์สามข้อแรกก่อนคือหนึ่งวิจิตกิจฉาสักยะิทิฏฐิแล้วก็สีลพัตตปรมานี่สักยัิทิฏฐิก็คือความเห็นที่เห็นว่าร่างกายและความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา ความจริงพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรานั่งกายก็เป็นของดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำนมไฟแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำนมไฟความรู้สึกนึกคิดมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระดับขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเจตตาไปเห็นลูกก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเห็นลูกที่ชอบก็เกิดสุขขึ้นมาเห็นลูกที่ไม่ชอบก็เกิด ทุกข์ขึ้นมาเห็นรูปที่เฉยๆก็จะเกิดความรู้สึกเฉยๆขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับอันนี้ต้องรู้ว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้พอเห็นปั๊บมันจะต้องเกิดทันทีจะต้องเกิดความรู้สึกทันทีจะไปห้าวว่าไม่ให้เกิดไม่ได้เห็นหน้าคนนี้แล้วเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็น อนตัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครไปสั่งให้มันสุขให้สั่งให้มันทุกข์ได้ถึงเวลามันจะสุขมันก็สุขถึงเวลามันจะทุกข์มันก็ทุกข์เห็นไหมเสียงพอได้ยินก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาพอใครชมปั๊บนี่เกิดความสุขขึ้นมาทันทีพอใครด่าปั๊บนี่เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแสดงว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่เรามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราฉะนั้ต้องเยอะ ถ้าเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ทุกข์กับมันที่ทุกข์เพราะว่าคิดว่าไปสั่งมันได้พอจะเสียงไม่ดีคิดว่าไปกำจัดมันได้พอเห็นสิ่งที่ไม่ดีคิดว่าไปกำจัดมันได้กำจัดเท่าไหร่มันก็ไม่หมดเดี๋ยวก็จะเสียงไม่ดีอยู่เลยเดี๋ยวก็ต้องเจอรูปไม่ดีอยู่เรื่อย ร่างกายก็ไปควบคุมบังคับมไม่ได้ร่างกายจะไปสั่งให้มันสวยไม่สางบานไม่รู้รยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องบานแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องรยเดี๋ยวมันก็ต้องสางมันต้องแก่ต้องเจ็บแล้วมันก็ต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะร่างกายนี้ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ ถ้ารู้ว่าการมีร่างกายเป็นทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดร่างกายปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปอันนี้ก็คือเรื่องของการละสักกายทิฏฐิคืออย่าไปเถยว่าขันห้าคือโลภคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดได้ใจว่าเป็นตัวตนไม่มีตัวตนเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไป ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากให้มันไม่ดับอหรือว่าอยากให้มันดับแล้วไม่ดับถ้าไปเจอสภาวะที่เราไม่ชอบอยากให้มันดับมันก็ไม่ดับก็เกิดความทุกข์ถ้าไม่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีความอยากก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจ Geez. ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากอื üzel. ถ้าไม่อยากจะทุกกับร่างกายก็อย่าไปอยากให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทุกข์ก็จะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บอีกต่อไปก็จะรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความแยบความอยากและวิธีแก้ความทุกข์ก็คือแก้ด้วยการการหยุดความอยากไม่ใช่ไปแก้ด้วยการไปทําบาปเช่นบางทีคนเรามีความทุกข์ก็เลยไปแก้ด้วยวิธีทําบาป ใครเข้ามาทําให้เราไม่พอใจเราก็ไปฆ่าเขาเพื่อที่จะทําให้เราสบายใจขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีพอไปฆ่าเขาก็ยังมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นอีกเพาะทุกข์ที่เกิดจากการไปทำบาป ก, ก็จะมีผลตามมาก็จะทําให้ละศีลละพัฒนได้ศีลละพัฒนก็คือไม่ไม่ไม่สงสัยในในในเรื่องของศีลนี่เองรักษาศีลแล้วจะปลอดภัยจากความทุกข์ ถ้าไปทำบาปแล้วจะไปสร้างความทุกข์ขึ้นกับใจาอารัยบุคคลจึงไม่ไม่ทำบาปไม่สงสัยในเรื่องของการทำบาปของการไม่ไม่ทำบาปของการรักษาศีลว่าจะป้องกันให้จิตใจไม่ต้องไปรับผลบาปต่อไปในอบายพระอรลยยบุคคลทุกทุกทุกระดับก็จะไม่ไปเกิดในอบายเพราะจะห้ามจิตใจไม่ให้ทำบาปได้ จะยอมปล่อยให้ร่างกายตายเดียว่าไปทําบาปนะเพราะถ้าถ้าไปรักษาร่างกายด้วยการทําบาปร่างกายก็ต้องตายต่อไปอยู่ดีเช่นใครก็จะมาฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าเขาก่อนนะเพราะเราฆ่าเขาเรามีชีวิตอยู่เรารักษาชีวิตของเราได้แต่เดี๋ยวเราตายไปเราก็ต้องไป รับผลบาปเพราะเราไปฆ่าเขาถึงแม้ว่าจะเป็นงานฆ่าเพื่อป้องกันชีวิตก็ตามก็ยังถือว่าเป็นบาปอยู่หรืออดอยากขาดแคลนไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารก็ไปยิงนกตกปลามาเป็นอาหารอันนี้ก็เป็นการทำบาปเพื่อรักษาชีวิตด้วยเหมือนกันอันนี้พระอริยบุคคลท่านจะไม่ทำกันท่านยอมอดตายยอมให้เขาฆ่าตายดีกว่าไปฆ่าเขา แตนะ่ถ้าหลบได้ก็หลบถ้าหนีถ้าห น, านีได้ก็อาจจะหนีแต่ถ้าเมื่อถึงข่าวที่ทำอะไรไม่ได้ก็จะไม่ใช้วิธีฆ่าเขาเพื่อเพื่อแก้ปัญหาคือจะไม่ใช้การกระทาบาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเพราะรู้ว่าการทำบาปนี้มันต้องใช้ต้องมีโทษตามมาต่อไปพระริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันก็จะปิดประตูบายได้ แต่พระโสดาบันนี้ยังต้องกลับมาเป็นมนุษย์อยู่อีกเจดชาติเป็นอย่างมากถ้าอยากจะทำให้การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์น้อยลงก็ต้องไปละสังโยช์ตัวที่สาตัวที่สี่ตัวที่ห้าคือการมาราคะกับปัติคะการมาราคะก็คือความยินดีในการเสพกามเสเพรูปเสียงกิดลดในการร่วมหลับนอนกัน ในการเสพจังวาดกันผู้ที่ต้องการที่จะหยุดการมาราคะก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายต้องดูตอนที่ร่างกายไม่สวยงามหรือดูส่วนที่ไม่สวยงามเช่นดูตอนที่ร่างกายตายตอนที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อ, อม่เช่นนั้นก็ต้องไปดูภายในของร่างกายส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนัง ถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นอ ว, วัยวะต่างๆเช่นตับปอดหัวใจลำไส้อะไรต่างๆเห็นแล้วก็จะทำให้ความความอยากจะเสพกามมันหายไปได้ถ้าทำให้มันเบาบางได้ก็จะได้ขั้นที่ขั้นขั้นที่สองเป็นพระริยบุคคลขั้นที่สองคือพระสกิรดังข้ามีทำให้เบาบางก็คือทำให้น้อยลงแต่ยังไม่หมดบางทีก็ยังมีบางทีก็ไม่มีแล้วแต่ว่า มีปัญญารู้ทันหรือไม่เวลามีปัญญารู้ทันความอยากก็จะหายไปเวลาเผลอปัญญาคือไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายมันก็ยัง จ, จะเกิดการมารมลขึ้นมาได้อยู่แต่ถ้าบัญัิพิจารณาสุภาษไปเรื่อยๆความไม่สวยงามของร่างกายไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นตลอดเวลาทุกครั้งที่จะเกิดการมารมลก็สามารถใช้ใช้อสุภานี้มาดับได้ทันท่วงที ต่อไปการอารมณ์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกต่อไปผู้ที่ไม่มีการอารมณ์หลวงเหลืออยู่ในใจก็เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะไม่มีความจําเป็นจะต้องมีร่างกายเพราะไม่มีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายแต่ยังมีความอยากจะเสพความสุขที่ได้จากรูปประฌานกับอรูปประฌานอยู่ ก็ยังอาจจะจะไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมโลกก็ต้องไปล ะ, ะสังโยชน์อีกห้าตัวคือ 1.. ความยินดีในรูปประชานสความยินดีในอารูปประชานสามความถือตัวสี 4. ความความฟุ้งซ่านและหความไม่เห็นอริยสัจคือไม่เห็นอริยสัจ ท, ที่ยังมีอยู่ในจิตใจยังไม่เห็นทีว่าในจิตใจยังมี ตันหาความอยากอยู่ตันหาบางส่วนได้ละไปแล้วเช่นตันหาเกี่ยวกับร่างกายกามาตันหาแต่ภวะตันหาวิภาวะตันหานี้ยังมีอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องพิจารณาแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นก็จะสามารถละสังโยชน์ที่เหลืออยู่ห้าตัวนี้ให้หมดไปได้พอหมดไปทีเดี้ก็จิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสังโยชน์ไม่มีตัวที่จะดึงจิตให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดามาเกิดเป็นพรหมอีกต่อไปจิตก็จะเป็นนิพพานเรียกว่านิพพานไปเป็นจิตที่ไม่ต้องมีหาความสุขจากตายภพเพราะความสุขของตายภพมันมีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะมันไม่เที่ยงเป็นพรหมเดี๋ยวก็ต้องตกจากพรหมลงมาเป็นเทพจากเทพก็ต้องตกมาเป็นมนุษย์ มาเป็นมนุษย์ถึงแม้จะมาร่ามารวยมาเป็นใหญ่เป็นโตเดี๋ยวก็ต้องตายไปอยู่ดีก็ยังต้องเจอความทุกข์อยู่แต่ถ้าไม่มีอะไรดึงให้กลับมาเกิดก็ต้องไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจิตก็จะเป็นจิตที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาเรียกว่าปลมมาสุขนิบานังปรมังสุขขังคือจิตที่ได้ละสังโยชน์ทั้งสิบได้แล้ว ก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในตายพบอีกต่อไปก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดนี่ก็คือจิตของพระอาหารหันต์และของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือวิธีที่พระเจ้าเอามาสอนพวกเราให้พวกเรานี้มาเรียนรู้วิธีปรับปรุงจิตใจของเราพัฒนาจิตใจของเราจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็น ขั้นต้นก็ให้รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ก่อนด้วยการไม่ทำบาปแล้วก็พัฒนาให้เป็นเทพด้วยการทำบุญแล้วก็ให้เป็นพรมด้วยการฝึกนั่งสมาธิแล้วให้ไปเป็นพระอริยบุคคลด้วยการตัดสังโยชน์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปพอตัดสังโยชน์หมดได้จิตก็จะไม่มีอะไรมาเหนี่ยวลังให้กลับมาเกิดในไตโพบเปกต่อไปจิตที่ไม่เกิดก็เรียกว่านิพพานนี่เองนี่คือ ผลที่เราจะได้รับจากการมาทําธุระของเราคือคันถะธุระและวิปัสสนาธุระฉะนั้นขอให้พวกเราพยายามเพียรพยายามทําไปจะยากจะง่ายก็พยายามอดทนเอาอย่ายอมแพ้อย่าถอยอย่าหยุดแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งก็จะได้ผลที่ต้องที่พระพุทธเจ้าได้รับแล้วก็คือพระนิพพานอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนตีสาขลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปปกับปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถา มณีโชติราโสยถาสัพปิติโยมิวาจานตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตผวะตวันตรายุสุขีตีขาโยโภวะอภิวาทานสีลิสนิจจังวุทาปะจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานิต อายุวันโอสุขังภา ล, างลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามฟังทำแล้วไม่เข้าใจสามารถทถมได้ถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามมีทั้งหมด ทาทางเฟ c e b o o สองร้อยเจ็สิบหกคนครับยู u ู u สองร้อยหกคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบสามคนครับผู้รับฟังบนเขาเก้าสิบหกคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยหนึ่งคนครับปร <Okay. S 2> ะจันถ้ามีใครถามอยากจะถามยกมือขึ้นนะเนี่ยนี่เหมือนห้องเรียนตนะอนนี้ครูเปิดโอกาสให้เด็กนั่งเรียนถามได้ ถ้ายังไม่มีใครถามก็เอาคำถามาทางบ้านก่อนคําถามจากคุณซอซอค่ะกราบนมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากถามว่าคําว่าบรรลุโสดาบันเป็นอย่างไรคนที่บรรลุโสดาบันแล้วเขาประพฤติตัวอย่างไรเจ้าค่ะจิตคนที่บรรลุโสดาบันเป็นอย่างไดเจ้าค่ะขอบคุณค่ะก็เขาก็จะ ไม่หลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเขานะร่างกายนี้ไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของดินน้ำลมไฟพ่อแม่เป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยการเอาดินน้ำลมไฟในท้องแม่มาผสมกันแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นอาการสามสิบสองแล้วจิตใจผู้ต้องการใช้ร่างกายก็มาเกาะมาติดกับร่างกาย ด้วยกระแสของจิตเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูมีอยู่ห้าเส้นด้วยกันเพื่อที่จะได้มารับรู้ว่าร่างกายเห็นอะไรได้ยินอะไรเ อ, อจิตใจก็มาหลงคิดว่าเป็นร่างกายถ้าจิตใจได้พิจารณาด้วยปัญญาจิตใจก็จะรู้ว่าจิตใจกับร่างกายไม่ได้เป็นคนเดียวกัน เ, ออเป็นฝาแฝดจิตใจเป็นแฝดพี่ ร่างกายเป็นแฝดน้องหรือจะเรียกว่าใจเป็นนายากายเป็นบ่าวก็ได้ใจเป็นเจ้านายร่างกายเป็นลูกน้องลูกร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งจากเจ้านายอย่างวันนี้พวกญาติโยมจะมาที่นี่ได้เจ้านายต้องสั่งก่อนแล้วให้ hey, วันนี้มาวัดนะเว้ยเพราอว่าวัดก็ออกเดินทางมากันถ้าเจ้านายสั่งให้ไปที่อื่นก็ไม่ได้มาวัด เบอกว่าวันนี้ไปที่นู่นก็จะไปตามคำสั่งใจนี่แหละเป็นผู้สั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆและรับรู้จะว่าร่างกายได้ทำอะไรผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ไปหลงไปคิดว่าเป็นร่างกายเพราะใจมันไม่มีรูปร่างในตัวของมันเองมันเป็นตัวที่มีแต่ความรู้สึกนึกคิดพอมันได้ร่างกายมันก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายเพราะว่ามันอยากได้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองพอได้ร่างกายมาก็เลยลักเลยหวงพอรู้ว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็กลัวขึ้นมาเพราะไม่อยากให้มันแกไ่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่ให้มันตายแต่ก็ห้ามมันไม่ได้คนที่ฉลาดมาแยกใจออกจากร่างกายได้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ารู้แล้วสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้เพราะถ้าไปยึดไปหวงก็จะทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไปยึดไปติดไม่ต้องไปเถอว่าเป็นเราเป็นของเราพอมันไม่เป็นเราเป็นของเราปั๊บเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน สังเกตดูของเนีเราทุกข์กับของใครทุกข์กับของเราเราทุกข์กับของคนอื่นของคนอื่นเราไม่ทุกข์ใช่ไหมบ้านคนอื่นไฟไหม้เราทุกข์ไหมบ้านคนอื่นน้ําท่วมทุกข์ไหมแต่พอเป็นบ้านเราขึ้นมาทุกข์รึเปล่าทุกข์พรเราไม่อยากให้มันไหม้ไม่อยากให้มันท่วมนั่นนั้นเองอแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไหม้หรือไม่อยากให้มันไม่ท่วมมันจะไหม้มันจะท่วมเราก็ไม่ทุกข์ได้ นี่คือพระโสดาบันจะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องอย่าไปอยากมันปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายพระโสดาบันก็เลยไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะรู้ว่ากลัวไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลัวไปมันก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย อันนี้คือพระโสดาบันก็จะปล่อยวางร่างกายได้จะไม่กลัวแล้วก็จะอยู่แบบคนมีศีลเพราะว่าจะไม่ไปทำบาปเพื่อรักษาร่างกายคนส่วนใหญ่ที่ทำบาปกันเพราะต้องการรักษาร่างกายจนถ้าไม่มีเงินซื้ออาหารก็ต้องไปหาหาปลาหานกหาอะไรมากินเพื่อเลี้ยงร่างกายก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ พระโสดาบันรู้ว่าไปไปทำบาปให้กับร่างกายทําไมร่างกายไม่ได้รับผลบาปคนที่รับผลบาปก็คือ ค, คือใจที่ไปหาหาเนื้อหาสัตว์ไปทําบาปมาเลี้ยงร่างกายร่างกายมันได้ประโยชน์แต่คนที่ได้รับโทษก็คือใจ พระโสดาบันจะรู้ว่าทำบาปนี้ตัวเองจะต้องไปรับโทษแล้วเรื่องอะไรไปทำบุญไปทำประโยชน์ให้กับร่างกายแล้วตัวเองไปรับโทษมีใครอยากจะทำอย่างนี้มั้งไม่มีหรอกใช่มมีใครอยากจะไปติดคุกแทนคนอื่นไหมไม่มีใช่อันนี้คือพระโสดาบันรู้ว่าถ้าทำบาปก็ต้องไปติดคุกคุกทั้งในโลกนี้ถ้าคุกทั้งในโลกทิพย์ก็คืออบายพรริยะก็จะไม่ทาบาป จะอยู่ตามปกติทำมาหากินตามปกติแต่ยังมีความอยากอย่างอื่นอยู่เรื่องความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ไม่มีแล้วไม่กลัวร่างกายจะแก่เจ็บตายเมื่อไหร่ไม่เดือดร้อนแต่ก็ยังมีความอยากหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ยังอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากจะมีแฟนมีครอบครัวอยู่นี่คือแตจะหาโดยวิธีไม่ผิดประเวณีถ้าจะมีแฟนก็ต้องไม่ไป ไปทำเป็นชู้กับใครอะไรทำนองนี้ก็ไปสู่ข อ, อกันไปทำอะไรกันให้มันถูกประเพณีไปนี่คือคุณสมบัติของพระสวสดาบรเณคำถามจากคุณทูค่ะหลวงพ่อครับทำอย่างไรจะสามารถเอาชนะกิเลสได้ครับก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนเลต้องถือศีล กิเลสมันจะหลอกให้เราไปทําบาปเราก็ต้องถือศีลถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ชนะกิเลสไปขั้นหนึ่งแล้วกิเลสตัวต่อไปก็คือความตานเอหรือความอยากเอาเงินไปใช้กับกิเลสก็ต้องหยุดมันเช่นมันมีเงินจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปเที่ยวไปทําบุญอย่างงี้กิเลสเราก็จะชนะกิเลสได้เพราะกิเลสมันอยากจะ เ, เงินที่เรามีอยู่นี่ไปเที่ยว ถ้าเราอยากจะชนะกิเลสเราก็ต้องไม่ไปเที่ยวเราต้องเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทําบุญแทนอย่างนี้ก็วิธีชนะกิเลสกิเลสมันชอบคิดเลยเปื่อยคิดจนฟุง้งซ่านคิดจนนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็ต้องมาหยุดความคิดกันมาฝึกนั่งสมาธิฝึกสติฝึกพุทธโธพุทธโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดเพราะ ม, มีพุทธโธก็จะสามารถหยุดความคิดได้ก็จะชนะกิเลสเนี่ย กิเลสมันหลงคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราของเราก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาดูให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเรามาตัวเปล่าๆไม่ใช่เลยจิตมานี่มีอะไรติดตัวมาบ้ามีร่างกายเก่ามาด้วยเปล่ามีครอบครัวเก่าติดมาด้วยเปล่ามีสมบัติเก่าติดมาด้วยเปล่าไม่มีมาตัวเปล่าๆมา Wrong. แล้วก็มาได้ร่างกายที่พ่อแม่ปั้นขึ้นมาให้แล้วพอร่างกายโตก็ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมา แพอร่างกายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยฉะนั้นสุดท้าก็ต้องมีปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีนี้ไม่ใช่ของเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องทิ้งมันไปหมดแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็จะชนะกิเลสตัวหลงได้ที่ไปเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นเราเป็นของเราพออะไรเป็นเราแล้วมันก็จะทุกข์พอมันไม่มีอะไรเป็นเราแล้วมันไม่ทุกข์มันสบายเเออ คำถามจากคุณจูค่ะกาบเรียนสอบถามค่ะเราจะทราบได้อย่างไรว่าอยู่ชานไหนและชานจะเกิดขึ้นตอนไหนเจ้าคะออถ้าเราไม่ได้ไปอ่านคัมภีร์เราจะไม่รู้ว่าชานไหนเพราะแต่ละชานเขาจะมีคุณสมบัติเหมือนกินข้าวนี่เราไม่รู้ว่าละอิ่มขนาดไหนแล้ว เ, เพราะไม่มีตําราเขียนไว้ว่ากินข้าวหนึ่งจานอิ่มขนาดไหนอสองจานอิ่มขนาดไหน แต่เรารู้ว่ายิ่งกินมากเข้าไปมันก็ยิ่งแน่นท้องยิ่งอิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งฝึกสติยิ่งเพ่งดูลมไปเรื่อยๆมันก็จะสงบจะนิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเฉยวางเฉยมันสงบนิ่งเลยมันจะรู้คือมันมันจะไม่รู้ว่าขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามมันมันไม่สนใจมันเพ่งแต่คอยคอยเพ่งดูลมหรือพุทโธพุทโธไป แล้วมันจะรู้สึกว่าจะเบาขึ้นสบายขึ้นสงบขึ้ น, นไปตามลำดับตอนในที่สุดมันนิ่งเต็มที่มันก็หยุดของมันมันกินอิ่มเต็มที่ปากข้าวกินไม่เข้าปากไม่ลงไม่ได้อีกแล้วก็รู้เองว่าอิ่มเต็มที่แล้วอันนี้มันไม่มีเวลาปฏิบัติจริงๆไม่มีเกย์บอกเหมือนขับรถยนต์นะ คำลดยมมันบอกว่าตอนนี้วิ่งถลายสี่สิบหกสิบปสิบนี่่มันไม่มีเกเกก็คือความรู้สึกความสุขที่มีมากขึ้นความสงบที่มีมากขึ้นไปตามลำดับแต่ถ้าอยากจะรู้ชันข่านไหนก็ต้องไปอ่านในตำราดูท่านที่หนึ่งท่านก็บอกม่วิตกไม่วิวจารยังมีตรึกมีตรองอยู่ยังมีสุขมีมีปิตินังแล้วน้ำตาไหลขนลุกซา ข, ขึ้นมาอะไรทานองนี้ เ, เดี๋ยวมันก็เป็นผ่านไปเป็นขั้นขั้ น, นไปคำถามจากคุณสุบินค่ะขอากาบอนุญาตฝากถามคือว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วมีเสื้อผ้าดีๆใหม่ๆมยอยู่หลายชุดลูกจะเอาไปบริจาคและอุทิศบุญนั้นให้แม่มีเสื้อผ้าใส่ใหม่อย่างนี้เป็นการถูกต้องหรือไม่เจ้าคะได้ แต่บุญนี่มันเป็นแก้วสารพัดนึกนึงถึงแม้จะให้เสื้อผ้าแต่มันสามารถแปลงไปเป็นกับข้าวอาหารได้ถ้าต้องการอาหารถ้าต้องการยาก็แปลงได้บุญนี้มันเป็นได้ทุกอย่างเป็นแก้วสารพัดนึกจิตต้องการอะไรก็นึกขึ้นมาแล้วมันก็จะได้มาถ้ามีบุญมันจะผลิตสิ่งต่างๆ ต, ตามความต้องการของใจคำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะ กราบนมรสการเรียนถามพระอาจารย์ครับในช่วงเทศกาลวันสำคัญมักจะมีการไปขอพอรกันถ้าคำอวยพรที่ให้การไม่มีผลก็ควรเปลี่ยนจากคำอวยพรเป็นคำสั่งสอนถูกต้องไหมครับแล้วคำอวยพรจะใช้ในกรณีไหนครับในกรณีที่คนก็ขอพรนะสิ ตามใดคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้ว่าพรคืออะไรเขาก็ต้องขอพอรกันทนะั้คนเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซนตการพรแล้วเราไปใช้ธรรมะเขาเดี๋ยก็ดนเขเตวนะใช่ไหมมันก็ขอพอรก็ให้เขาพรไปก็จบถ้ามาขอพอรแลบอกยมต้องพิจารณาความตายนะเดี๋ย <c oughs> <c oughs> เอาให้ธรรมะนะหนยใช่ไมใช่ไม่ได้หรอกคนก็ต้องดูกาลเทศะของสังคม สังคมเขาคิดว่าพระพูดอะไรแล้วเขาก็จะได้อย่างนั้นก็เลยต้องพูดไปตามที่เขาอยากได้อขอให้สุขให้เจริญใ ห, ให้ร่ำรวยนิสาทุ่งสาทุ่งกันทุกคนทั้งท่านได้พูดมาจนปากเปียกปากฉีกมันก็ยังไม่รวยสักทีมัน ก, ก็ยังมาขออยู่นั่น อ, อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของอนสนิยมของสังคมเขาเราไปฝืนไม่ได้เรา ทำได้แต่เฉพาะอย่างพวกเราเนี่ยรู้แล้วขอพรไม่ได้ต้องมาเอาธรรมะอ่าเนีก็มาเนีถึงจะสอนได้สอนธรรมะได้ต้องสอนคนที่เขาต้องการธรรมะคนที่ต้องการพรก็ให้พรเข้าไปคําถามจากคุณปัญญีค่ะเวลาใส่บาทแล้วมือไปโดนฝาบาทรพระเราจะบาปไหมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเจ้าค่ะ ไม่บาปเราก็อย่างที่พูดแล้วเนี่ยไม่เรียนหนังสือว่าบาปคืออะไรไม่ได้ไปฆ่าพระด้วยการจับบาปมันจะไปบาปได้นะไม่บาปแ <c oughs> ร้วเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะสมคือถ้ายังเป็น เ, นเพศหญิงนี่ไม่ควรที่จะไปแตะต้องของที่เป็นของพระหรือหรือตัวพระเพราะว่าพระกับผู้หญิงนี่มันเป็นเหมือนน้ํามันกับไฟก็ไม่อยากจะให้อยู่ใกล้กันเดี๋ยวกิเละมันจะลุกขึ้นมา เดี๋ยวเกิดทําให้ผ้าร้อนแล้วทําให้ผ้าต้องสึกออกไปไใช่ไหมอะไรก็เลยไม่อยากที่จะให้ผู้หญิงไปใกล้ๆพระเวลาถวายของแให้เอาผ้าวางไว้เพราะถ้าใช้มือรับเดี๋ยวมันไปจีบของแล้วมันของที่ติดมากับมือเดี๋ยวมือกับมือแตะกันขึ้นไฟมันจะลุกขึ้นมา <c oughs> ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นทันทีเร็วมากนะก็เลยต้องห้ามไว้แค่นั้นเอง คำถามจากคุณปราศจากค่ะเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับกระผมจะทําบุญครบรอบวันเสียชีวิตคุณพ่อจําเป็นต้องทําตรงกับวันที่ท่านเสียหรือไม่ครับไม่จําเป็นหรอบุญทําวันไหนก็ได้บุญเท่ากันทําวันที่ตรงกันกับวันไม่ตรงกันก็ได้บุญเท่ากันคําถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะกราบนะมั๊ กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับการที่บางคนมีภรรยาหรือมีสามีหลายคนและอยู่ได้การแบบเปิดเผยสังคมก็รับรู้การกระทาอย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อที่สามไหมครับถ้าสังคมรับรู้ก็ไม่ผิดไงประเพณีอย่งางศาสนาอิสลามเขาก็อนุญาตให้มีภรรยาได้สี่คนแต่เขาก็ต้องทำให้ถูกประเพณีของเขา เราก็ต้องมีการสู่ขอมีการทําอะไรให้ประกาศให้สังคมรับรู้กันถ้าไปทําแบบลับๆล่อๆเนี่ยถึงเรียกว่าผิดมีสี่แล้วยังอาจไปมีอีกสองโดยที่ไม่ประกาศให้คนอื่นรู้อย่างนี้อันนี้มันก็ถือว่าผิดอยู่แต่ถ้าเป็นการรับรู้ของสังคมสังคมเขาไม่รังเกียจก็ไม่ไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครเดือดร้อนก็ไม่ถือว่าไม่ไม่เป็นไม่ผิดประเพณี คำถามจากคุณธนพัฒ์ค่ะคำว่าทุกขังเคยได้ยินแปลว่าไม่ทนคืออะไรครับไม่ทนทานไม่สามารถทนได้นี่ก็คือแปลโดยที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็เลยแปลแบบอย่างเงี้ยทุกแปลว่าไม่ทนได้ยังไงคำว่าไม่ทนก็ต้องอัอ น, นิจังสิใช่หไหมอั น, นิจังของไม่ทนไม่เที่ยงเรียกว่าอา น, นิจังทุกแปลว่ามันเจ็บ เจ็บที่ใจเวลาใครด่าแล้วก็วเกิดความเจ็บใจขึ้นมาเนี่ยแล้ทุกข์ขังมันไม่เกี่ยวเนี่ยคนที่ศึกษาไปแล้วก็แปลไปตามความรู้สึกนึกคิดแปลไปตามจินตนาการความว่าทุกข์นี่มันแม้แต่เด็กมันก็รู้ว่าไม่ใช่ไ ม, ไม่ถนไม่ต้องไปเรียนหนังสือหรอกใช่ไหมไม่ต้องไปเรียนธรรมะหรอกคำ ว, ว่าทุกข์ก็คือเจ็บ เ, เจ็บที่ใจก็เลยทุกข์ใจ เจ็บที่กายก็เรียกว่าทุกกายมีเจ็บสองชนิดมีทุกสองชนิดทุกใจกับทุกกายร่างกายไปเตะก้อนหินก็ทุกที่ร่างกายแล้วใจก็ไปทุกโมโหตัวเองว่าโง่ไปเดินเตะมันทำไมแล้วเจ็บทั้งสองสองเด้งเจ็บกายและเจ็บใจแต่คนที่มีสติกอา จ, จะเจ็บเพียงที่กล้างกายไม่ไปไม่ไปโมโหตัวเองที่ไปเตะก้อนหินก็ไม่เจ็บที่ใจ เกทีี่่่พยยงงแตาาคำถามจากคุณจิตสงบพบความสุขเรียนถามนั่งสมาธิจิตสงบมีความเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์พอออกมาข้างนอกรู้สึกถึงอารมณ์ที่มากระทบเร็วมากควรวางจิตอย่างไรก็เปิดแอร์อต่อเลยแอร์มันอยู่ในใจเราสติไง พอออกมาก็พุทธโธพุทธโธต่ออย่าหยุดพุดทธโธใครพูดอะไรใครฟังอะไรพอมันจะร้อนก็พุทธโธพุทธโธหยุดมันมันก็จะไม่ร้อนได้หรือถ้ามีแอชนิดหนึ่งก็คือปัญญาใช้ปัญญาก็ได้สอนใจว่าห้ามเขาไม่ได้อันนี้จังทุกขัง น, นตตาเสียงพูดของใครเราไปบังคับเขาไม่ได้เป็นเหมือนเสียงเสียงลมพัด สั่งให้ลมหยุดพัดไม่ได้สั่งให้ลมพัดไม่ได้สั่งให้คนพูดดีพูดไม่ดีไม่ได้เขาจะพูดดีไม่ดีมันเราไปห้ามเขาไม่ได้เราห้ามใจเราได้คือเราอยากไปอยากให้เขาพูดดีแล้วเราจะไม่เสียใจเวลาที่เขาพูดไม่ดีคำถามข้อที่สองเจ้าค่ะพอภาวนาไปนานๆไม่อยากเข้าสังคมอยากอยู่ยงเงียบๆ ไม่อยากไปพบเจอใครควรทำอย่างไรต่อไปคะก็ไปบวชสิกาถึงขั้นเวลาที่จะต้องไปบวชแล้วคนทุกคนปฏิบัติก็อย่างนี้นะเพราะว่าอยู่ที่นี่วุ่นวายหนออยู่ไปทำไมอยู่แล้วไม่มีความสุขต้องไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่วุ่นวายก็สังคมของนักบวชนักบวชก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายกันต่างคนต่างอยู่ถึงแม้จะอยู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างไป ทำใจให้สงบไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาทําความสุขร่วมกันความสุขของนักบวชนี่เป็นความสุขที่เกิดจากการแยกกันอยู่มาร่วมกันทําเฉพาะกิจที่จําเป็นต้องทําพร้อมกันเช่นมารับประทานอาหารมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมพอเวลาปฏิบัติก็แยกกันไปปฏิบัติที่ตอนต้นที่เขาให้มาปฏิบัติพร้อมกันเพราะยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเขาก็เลยเอามาสอนให้ รู้จักวิธีเดินจงกรมรู้จักวิธีนั่งสมาธิพอรู้แล้วต่อไปก็ต้องไปปลีกไปทําคนเดียวเพราะถ้ามารอร่วมทํากันมันจะไม่ทันการบางทีเราพร้อมเขาไม่พร้อมอนี้ก็ทําไม่ได้บางทีเรานั่งได้นานเขานั่งไม่ได้นานเดี๋ยวก็ขาดกันได้ในเวลาถึงเวลาปฏิบัติแล้วต้องไปยากกันปฏิบัติถึงจะไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรมาคอยเหนียวรังไว้ ถ้ามาปฏิบัติรวมกันนี่ไหนจะต้องรอถึงเวลานั่งสมาธิพอนั่งได้พอจิตเราสงบจะนั่งต่อไปอหมดเวลานั่งอีกแล้วต้องลุกออกมาอีกแล้วเห็นเวลาปฏิบัติจริงๆนี่ต้องแยกกันไปปฏิบัติแต่เวลาเริ่มต้นนี้อาจจะทำร่วมกันไปก่อนเพราะหนึ่งไม่มีกำลังที่จะบังคับตัวเองให้ทาได้ต้องมีเวลามีมีคนมาลากมาจูง แต่พอเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเรามีกําลังที่จะไปปฏิบัติของเราเองได้เราไปใบเดียวดีกว่ามันค่องแคล่วว่องไวกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นี่รวดเร็วกว่าขับรถบัสเนี่ยขับรถบัสนี่แหมมันติดเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นี่แซกซ้ายแทรกขวาไปได้ไปได้อย่างรวดเร็วหมดแล้วเหรอค่าคำถามจากคุณพีโกคะ่ะเรียนถามพระอาจารย์ ถ้าวางแผนบรรลุธรรมภายในเจ็ดปีต้องมีแนวทางอย่างไรบ้างครับก็ปฏิบัติไม่หยุดเนียตั้งแต่ตื่นจนหลับนะสติต้องเริ่มที่สติต้องฝึกสติควบคุมความคิดตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรอย่าปล่อยให้ความคิดที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดโผล่กมาคิดได้แต่เรื่องที่จําเป็นต้องคิดถ้าเรื่องไม่จําเป็นต้องคิดก็อย่าให้มันคิด ใช้พุทโธหยุดมันหรือใช้การเฝ้าดูร่างกายทำอะไรก็จดจ่ออยู่กับการทำงานของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวอาบน้ำก็อาบน้ำอย่างเดียวไม่ใช่อาบน้ำไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปต้องอยู่กับเรื่องของการอาบน้ำแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันล้างหน้าก็อยู่การล้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่ล้างหน้าไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปด้วยอย่างนี้ไม่มีสติถ้ามีสติต้องทาเรื่องเดียว อยู่กับเรื่องเดียวถ้าไม่อยู่กับเรื่องเดียวก็พุโทโธอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวก็ได้และเวลานั่งก็อยู่กับลมก็ได้หรืออยู่กับพุโทโธก็ได้ทำอย่างนี้สลับกับ ก, บการเดินการนั่งการทำอะไรจิตก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆคำถามจากคุณรักชัยคะ่ะกราบนมัส ก, การเรียนถามหลวงพ่อครับนั่งสมาธิไปได้สักพักเหมือนตัวเอง มีอีกหนึ่งตัวตนรู้สึกกลัวตกใจเลยหยุดนั่งสมาธิสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจากฝรั่งเศสครับคือเพลอสติไงไม่อยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับลมนะถ้าอยู่กับลมอะไรจะเกิดก็ไม่ต้องไปสนใจเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันเป็นจินตนาการของจิตสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองมโนภาพของจิตสร้างขึ้นมาไม่มีอะไรน่ากลัวในจิตนะ นอกจากความโง่ของจิตเองที่ไปกลัวเงาเขื่อนไ้มสิ่งที่เห็นเหมือนเงาเหมือนดูภาพยนตร์ะคนดูภาพยนตร์แล้วร้องไห้หัวเราะก็แสดงว่าคนโง่ไปหลงเงาไปกลัวเงาไปดูหนังผีก็กลัวขึ้นมาทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเงาไม่ใช่เป็นของจริงก็ยังกลัวเนี่ยของที่เกิดในจิตก็เหมือนกันเป็นเงามันไม่ได้เป็นของจริงแล้วเราก็ไปกลัวมันเอง เพราะฉนั้นเวทีนั่งสมาธิเพื่อปลอดภัยไม่ให้มีปัญหาอย่าทิ้งพุโทโธอย่าทิ้งลมหายใจเกาะติดกับพุโทโธไปไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้อย่าไปสนใจถ้าไม่สนใจเราอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวมันก็หายไปทิ้งต่างๆมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเองพุโทโธพุโทโธไปไม่มีอะไรน่ากลัวน่าอันตรายต่อจิตใจนอกจากการเผอสติเนี่ยน่ากลัว เหมือนกับขับรถแล้วไม่มีสติเนะี่ยน่า ก, กลัวใช่หไหมขับรถแล้เมาเนะี่ยน่า ก, กลัวไม่มีสตินะมันถึงจะเกิดอุบัติเหตุแล้วขับรถด้วยการมีสติไม่มีปัญหาภาวานาก็เหมือนกับขับรถใจขับใจใจจะปลอดภัยถ้ามีสติคอยกำกับใจงั้นอย่าทิ้งสติไปจนกว่าจิตจะนิ่งสงบเหมือนกับรถเนี่ยจะทิ้งสติได้ก็ต้องจอดให้สนิทก่อนชันง่วงนอนอยากจะหลับ ก็ต้องขับต้องจอดรถข้างถนนก่อนพอจอดรถสนิท ด, ดับเครื่องแล้วทีนี้ก็นอนได้หมดสติได้อันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิไปต้องพุโทโธไปจนกว่าจิตจะสงบพอจิตสงบแล้วก็พุโทโธก็หยุดได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับการไว้ทุกข์กรณีญาติเสียชีวิต เราจะใส่เสื้อสีอื่นนอกจากสีขาวสีดําได้หรือไม่ครับอตามมาเพณี่เขาไว้ทุกข์เขาก็ต้องใส่สีดําสีขาวนี่ถ้าเราไม่ใส่ก็แสดงแล้วว่เาเราไม่เราไม่ไว้ทุกขถ้าชาบ้านเขาเห็นเขาก็ต้องว่าอย่างนั้นใช่ไหมไปใส่สีเขียวสีแดงเราบอกชั้นไว้ทุกข์นี่เขาจะเชื่ อ, อลุบบ่างถ้าไว้ทุกก็ใส่ตามที่เขาเขาบอกให้ใส่ก็แล้วกัน ถ้าสสรไม่ได้ก็บอกว่าไม่มีเสื้อใส่เสื้อขาวหมดเสื้อดำหมดแต่ยังไว้ทุกข์ในจิตใจคาจริ ง, งความไว้ทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหรอกมันอยู่ที่ใจคือทําเนียมเขาไม่อยากจะให้เราเอคล้ายๆว่าลืมความทุกข์ที่คนตายเขาต้องทุกข์เราลักเขาเราชอบเขาเราก็ต้องทุกข์ไปกับเขาด้วยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไงพอเขาทุกข์เราก็ต้องร่วมทุกข์กับเขา ไม่ใช่พอก็ทุกเราก็ยังไปเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่อย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอันนี้เป็นธรรมเนียมประเพณีแสดงความความรักความอะไรต่อผู้ที่ล่วงรับไปแล้วท่านั้นเองดังนั้นการแสดงออกว่าเราไว้ทุกข์ก็ต้องมีใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมคือเสื้อผ้าเรียบง่ายสีขาวสีดําในรํานองนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดที่เราใช้ไว้สําหรับฉลองความสุขกัน อันนี้คือประเพณีทำเนียมแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่สีเสื้อผ้าหรอกถ้าเราไว้ทุกข์เพราะว่าเราเราพยายามที่จะไม่โชงนั้นไม่ไปหาความสุขยังพยายามคิดถึงความทุกข์ของเพื่อนที่เขาทุกข์อยูอ่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเรายังมีความห่วงใยมีความรักความคิดถึงเขาอยู่ ไม่ไม่ไม่ลืมเขา่าอะไรทำนองนี้อตอนนี้เขาทุกข์ก็อขอรบุกทุกข์ไปกับเขาไปก่อนนไม่ใช่สามีภรรยา ต, ตายไปปั๊บก็รีบไปหาใหม่ทันทีเ <Okay. S 1> <laughs> ขาถึงไม่เขา ถ, ถึงไม่ไปหาแฟนใหม่กันทำทำนี้ทำอย่างน้อยก็หกเดือนหรือปีหนึ่งใช่ไหมให้เหตุการณ์มันผ่านไปก่อนให้ลืมไปก่อนแล้วอทีนี้ค่อยไปเริ่มต้นใหม่กันหมดหรือยังหมดแล้วอ่าวนะหมดแล้วก็พอดีพอสมควรแก่เวลา